<rí> e> มาเล่นเกมตัวกหนุ่หลักกันแม่มาเริ่ก็เป็นคำถามที่ยังสงสัยอะไรแบบนี้ที่เธอไม่เคยจะบอก BRUNO และฉันก็ดูไม่ออก <mac uk 1919> ตอบฉันได้ไหมที่คิดในใจกับฉันคนนี้ ได้ร้รูสิ่งในที่ผ่านไปครึ่งเพลงยังไม่รู้เลยเนะี่ยขนามาส์ีผมกินแชมพูยิ้มลอยยิม้มแววตาที่เธอมองอยู่ฉันก็เดาไม่ออกถ้าเธอนั้นไม่เคยจะบอกน้ำไหนอะไรที่พอจะทำให้เธอโอนใจแอ บ, บอยากรู้ว่าตรงเก็บฉันบ้างหรือไม่คือแบบ